มาเห็นลุกสิลุกหาทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีแม่ขาวได้พร้อมหน้าพร้อมตากันยังอยู่ปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้ก็ดีใจแสดงว่าธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมา เข้าถึงจิตถึงใจถือเอาธรรมะนั่นแะเป็นครูเป็นอาจารย์มีอุบายธรรมะสอนใจได้แล้วก็มันก็ไม่วุ่นวายมันก็อยู่สงบสงบได้คนใดไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาได้ก็งุดงิด พุ่งสร้างอยู่ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นจึงว่าแสดงว่าลุกศิษ์ลูกหาทุกคนก็มีคุณธรรมอยู่ในใจจึงสามารถรวมตัวกันอยู่ได้ ถึงไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนก็ตามจะมีผู้ควบคุมอยู่แทนอันนี้ก็ต้องขอให้พากันเคารพต่อผู้ที่เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลอย่าล่วงเกินอย่าไปนึกคิดว่าไม่ใช่อุปชาอาจารย์ของเราหรอก แล้วก็ไม่เคารพไม่ยำเกรงอย่างนี้ไม่ถูกต้องเนอะเพื่อนก็เป็นกรรมวาชาจารย์ก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วเรื่อพรรษาก็สมควรเป็นนิสัยย ม, มุดเป็นผู้สมควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้ นักบวชเรานี่นะเราจะไปแสดงตนเป็นเหมือนครือหัาทั้งนั้นไม่ได้เป็นครือหัานี่มันกิเลสมันหนาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บระครับบัญชาหรือเป็นอาจารย์สอนอะไรให้ตนบางคนนะโมโหขึ้นมาแล้วก็ไม่เคารพยำเกรงเลย อย่างนี้แหละมีอยู่ท้้งไปเพราะฉะนั้นจึงปรากฏอยู่ลูกศิษย์ข้าครูอาจารย์ก็มีอาจารย์ข้าลูกศิษย์ก็มีต่างคนต่างก็มีกิเลสยับดั้งสร้างใจไว้ไม่อยู่ไอเราผู้พฤติธรรมในพุทธศาสนานี้เมื่อเราทำใจสงบระงับได้ เราฝึกตนไม่ประมาทมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วอย่างนี้มันก็ไม่แสดงบทบาทตุนวายต่งตางๆเหมือนอย่างชาวบ้านเขาแม้เราจะต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่รวมกันก็ตามต่างคนต่างมีคุณธรรมอยู่ในใจ แล้วมันก็เป็นญาติธรรมกันโดยปฏิยายมแล้วเราถือว่าเราเป็นญาติธรรมกันเป็นญาติรรกันโดยธรร ม, มไม่ใช่ญาติเกิดวงเดียวตระกูลเดียวกันอย่างนี้เราเป็นญาติกันในทางธรรมเราเอาธรรมเป็นเครื่องผูกมิตรผูกญาติซึ่งกันและกัน ขอให้เข้าใจอย่างนี้ไอ้ความเป็นนักบวชนี่นะเรียกว่านักบวชนี่พระพุทธเจ้าสอนให้มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งเพราะโลกเขาวุ่นวายกันหมดเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันทาร้ายกันทาความทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่อย่างนั้น แต่พระผู้ทธเจ้าทรงสอนบริษัทเมื่อให้เบียดเตียนกันให้มีเมตตากรุณาต่อกันและกันให้มีการถงเคาะเอื้อเพื่อเกือ้อกูลกันนี่สำหรับผู้มีบุญวัสนาบา ร, รมีมาแต่ก่อนแล้วพอได้ฟังคำสอนเท่านี้เพื่อนก็ทราบซึ้งในใจ จิตใจก็สงบอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ดังนั้นผู้ใดที่เป็นบริษัทของพระองค์โดยแท้จริงแล้วไม่มีการเบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่เป็นภัยต่อกันละรกันเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าทรงสอนเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ บทหนึ่งนั่นะคือผู้ฟังดอกย่อมได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระเจ้านั่น เ, เหตุที่น่าอาัศจรรย์เพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของโลกเนี่ยสอนกันไปแล้ว บอกว่าอย่าทำชั่วมันก็ไปทำชั่วอยู่อย่างนี้นะนให้ทำแต่คุณงามความดีมังก่อนทลังไปทำความชั่วอยู่แล้วก็เบียดเบียนซึ่งกันและกั น, นส่วนคำสอนของพระเจ้าเมื่อพระ อ, องค์ได้เทศนาแนะนำสั่งสอนแล้ว ผู้มีบุญวัฒนาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนน้หลังได้ฟังแล้วก็ทราบซึ้งเข้าไปถึง จ, จิตใจพระธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันต้องมีเมตตากรุณาอยู่ประกอบอยู่มดทุกขั้นตอนเลยเป็นพระโสดาบัน เป็นพสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอระหันต์สาวก4สี่จำพวกนี้ล้วนแต่มีเมตตากรุณามุทิตาวเบกขานี่เป็นธรรมเครื่องอยู่ในใจพวกท่านพวกท่านลุกจำพวกเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้น แม้เพื่อนอยู่ด้วยกันต้งเป็นจานวนมากๆเพื่อนก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะอาศัยต่างคนต่างมีคุณธรรมคือภพมวิหารนี่แหละอยู่ในใจเสมอเสมอพระองค์แนะนำสั่งสอนคนนะไม่ได้ลงอาญาไม่ได้ลงโทษอะไรเลยไม่ได้เคี่ยนตีไม่ได้ด่าว่าอะไร พระ อ, องค์แนะนําที่เหตุที่ผลให้ผู้ฟังได้เข้าใจเท่านั้นแหละว่าความชั่วมันมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนี้อนไอความดีมันมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนี้นี่นะผู้มีปัญญาได้ฟังแล้วมันก็เห็นตามที่พระ อ, องค์เจ้าแสดงอย่างนั้นเห็นตามแล้วก็ ลงมือประพฤติปฏิบัติตามให้มั่นคงเข้าไปเช่นนี้แหละไอ้ชาวโลกทั้งหลายจึงยกย่องว่าพระองค์แสดงธรรมเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์โดยผู้ที่ได้ฟังทำคำสอนโดยเจ้าโยมได้รับประโยชน์สมควรแก่ธรรมที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติมานั้น โดยไม่ต้องในบังคับบัญชาอะไรกันเลยอันนี้ชื่อว่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละพวกเราควรพากันซื่อชมยินดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไอบุคคลที่ คนทุกคนภายในสงสารไปไม่ได้เทีเ่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่จะเกิดก็ไม่ได้เกิดดีเกิดเป็นคนยากคนจนแล้วก็มีสันดาณเป็นอันพานชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบแย่งชิงเอาสมบัติผูอื่นมาเลี้ยงชีพทัวเองคนประเภทอะไมีเยอะในโลกนี้ แต่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแต่ชาติก่อนหุ่นหลังนู่นไม่ได้ปฏิบัติตามทำตนเป็นคนกิเลสหนามาเพราะโดยอาศัยความดีบางอย่างที่เขาทำแต่ความดีที่ทำนั้นไม่สามารถที่จะกาจัดกิเลสให้เบาบางบจากจิตใจได้เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะ ไอ้คนยังไงยังไงมันก็ให้ได้อันให้ทานนี่นะอย่างนี้แหละคนที่โกรธคนใจดำคนอันธพาลต่างๆพวกนี้บดเวลามันใจบุญมามันก็ให้ทานได้แต่เขามีเพียงจะให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นสินเขาก็ไม่ยอมรักษาฟังธรรมก็ไม่ยอมฟังอย่างนี้แหละ ดังนั้นกิเลสมันจึงหุ้มห่อจิตใจให้หนาแน่นด้วยผลทานอันนั้นเมื่อเขาพ้นจากนรกอบายภูมิมาแล้วผลทานนั้นก็นำให้เขามาเกิดเป็นคนอีกอเกิดเป็นคนมาแล้วผลทานที่เขาทำมันน้อย มันก็เพียงแต่สั่งให้มาได้เกิดเป็นคนเท่านั้นแล้วแต่ไม่สามารถจะดนบันดาลให้มั่งมีสีสุขมีลาภมียศได้เพราะว่าบุญมันน้อยดังนั้นจึงได้เกิดเป็นอันธพาลขึ้นมาจึงได้ไปแย่งสิ่งอาสมบัติคน อ, อื่นมาเลี้ยงตัวและครอบตัว ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อ้าแล้วทำไมหนาคนเหล่า น, นั้นจึงทำชั่วจึงไม่รล่ำรวยจึงไม่มั่งมีอย่าไปสงสัยเป็นอย่างนี้แหละเพราะชาติก่อนกับชาตินี้มันเนื่องกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆหรือว่าเกิดเอาเลยโดยไม่ต้องได้เคยเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรมาแต่ก่อนไม่ใช่ มันเนื่องกันมาแต่หลายชาติหลายภพเลยไอ้มันเนื่องมาอย่างไงอ่ะจิตดวงเดียวนี่แหละมันยึดเอากรรมดีกมชั่วพาเป็นพาหนะท่องเที่ยวมาในสงสารเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจสวยสุขสวยทุกสลับกันมาอยู่งั้นนะอ่ บางชาติทำบุญกุศลมากเอาชาติต่อมานี่ก็ได้รับความสุขมากได้รับความทุกข์แต่น้อยอืบางชาติพอทำบาปมากกว่านี้ทำบุญน้อยมาชาติต่อมานี่ก็บทบาปนั่นตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอมีเงินมีทองก็ไว้เล็กน้อยน้อย ไม่พอที่จะให้ได้รับความสุขสบายได้รับแต่ความทุกข์ทนทรมานเพราะบาปมันให้ผลเนี่ยอย่างนี้แหละคนเรามันจึงมีความเป็นอยู่แตกต่างกันก็ให้พากันเข้าใจคนสงสัยเยอะแยอะอืมบางคน่าทำชั่วได้ดีก็มีอื บางคนทำดีได้ดีก็มีหรือว่าทำดีได้ชั่วก็มีพูดกันอยู่บ่อยๆเลยเรื่องนี้นะอา้าวคนนั้นทำช่วยแท้ๆทำไมมันจึงร่ำรวยมั่งมีขึ้น อ, อย่างนี้อันนี้ให้ต้องเข้าใจไว้ ว่ามันเป็นผลบุญที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนมันมาอานวยผลให้ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำในปัจจุบันนี้มันยังไม่ให้ผลเพราะกรรมดีมันยังรักษาชีวิตนี้ไว้อยู่กรรมชั่วเข้าใกล้ยังไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะบุคคลไม่สอดจอง มองเห็นโดยปัญญาในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างว่านี่นะมันจึงไม่เชื่อเสียเลยพอว้เห็นบางคนว่าเขาทำชั่วอยู่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่แล้วกลับร่ำรวยมั่งมีสีสุขขึ้นมาเฉลยว่าไอ บาปกรรมวันนั้นจะไม่ตามให้ผลเขาก็ือมัอ้งเกิดเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยเขาจึงได้ร่ํารวยมั่งมีขึ้นมาออย่าไปสงสัยทีนี้น่นะให้เข้าใจกันว่าบาปกรรมที่ทําในปัจจุบันนี้มันยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญกรรมที่เขาทำํำมาในชาติก่อนยังรักษาชีวิตเขาอยู่ ยังให้ผลอยู่นี่จาไว้ให้ดีอย่าไปสงสัยที่นี่เมื่อกรรมดีที่เขาทำนั้นมันหมดอายุลงเมื่อใดถ้าเขายังไม่ตายกรรมชั่วก็ให้ผลสืบต่อคนรู้นั่นก็มีชีวิตอับเฉาลงไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเคยร่ำรวยมั่งมีมาแต่ก่อนก็ทุกจนหนโลกลงไป เคยมีสุขภาพอนามัยดีมาแต่ก่อนก็เกิดโรคภัยร้ายแรงเบียดเบียนอืมเราก็เคยเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอนี่แหละลองพิจารณาดูให้ดีไอ้เรื่องบุญและบาปมันมีจริงนะอย่างนี้แหละคาบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญและก็ไม่มีใครเบียดเบียนโรคภัยใครเจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียน บทคาวบุญเก่านะ้ะมันหมดลงไปแล้ววันนี้กรมชั่วที่ตัวทำมาไต่ก่อนมันตามมาให้ผลนะเอาแล้ะเสื่อมโทรมลงไปร่างกายก็เสื่อมโทรมลงสมบัติเข้าของเงินทองก็สูนหายไปหาเงินนาทองเข้าห้องกอ็ไม่ค่อยได้ อ, อย่างนี้แหละแล้วแต่ว่าผู้ที่มืดมน อนการมากความหลงครอบงำจิตใจมากมันก็คิดไม่ได้เลยไม่ทราบว่าตนเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอืไม่ได้คิดเลยอย่างนี้คิดไม่ออกเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้นี่มันก็อธิษฐานใจนะอืมเออความชั่วเหล่านี้ เราได้ทำมาที่ชาติก่อนคนหลังมันจึงตามมาสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ตอนนี้ไปเราจะไม่ทำความชั่วอย่างนี้ต่อไปอีกเราจะทำแต่ความดีเมื่อมันเมื่อได้อธิษฐานใจอย่างนี้เสมอเสมอไปเราแล้วก็ทำแต่ความดีไปเรื่อยๆความดีเหล่านี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยใน ว, วันนี้นะอื กิดสอยห้อยตามเนี่ยแล้วความชั่วที่ที่ตนทํำมาแต่ก่อนตนอธิษฐานใจละไปเสมอเสมอไปแล้วมันก็หมดไปหมดไปเนี่ยดังนั้นเมื่อหมดอายุในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไอ้ความดีที่ทำํำในมันก็ตามไปตกแต่งความสุขความเจริญให้ออไปเกิดในสถานที่มีความสุขความเจริญ อย่างนี้ถ้าหากว่าผู้นั้นนะผู้ใดก็ตามตนทำความชั่วมาแล้วก็ไม่มองไม่เห็นไม่ยอมรับสรภาพความชั่วนั้นไม่อธิษฐานใจว่าจะละเว้นมันไม่ทำมันอีกต่อไปผู้ใดไม่อธิษฐานอย่างนี้ กรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกหนอยู่ในโลกนี้ก็ดีเมื่อละโลกนี้แล้วกรรมชั่วมันก็ตามไปสนองให้เป็นทุกข์ในชาติหน้าต่อไปเงียบไปเข้าใจว่ากรรมชั่วที่ตัวทามาแต่ก่อนนั่นอืมมันก็หมดไปแล้วมันหมดไปแล้วมันจะไม่ติดตามสนองตอนอีกแล้วก็ไม่ ยอมลดสนภาพความชั่วเหล่านั้นไม่อธิฐานใจละเว้นอย่างนี้กรรมชั่วนั้นมันย่อมติดตามแน่นอนเลยเออขอให้เข้าใจ <c oughs> อย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายภาวนาแล้วต้องอธิฐานใจละเว้นกรรมชั่วที่ตัวทำมามากกว่าดีน้อยกว่าดีเพราะว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้จะไม่ได้ทำบาป เช่นฆ่าสัตว์อย่างนี้นะจะไม่ได้ฆ่าสัตว์สักตัวเดียวนิมหามีไหมมันต้องได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเวลายังไม่รู้สึกตัวยังยังไม่เห็นโทษแห่งบาปกรรมเหล่านั้นมันก็ยังไม่ได้ละนี่นั่นแหละบาปกรรมอันนั้นแ่ะมันตามมานะขอให้เข้าใจบางคนก็ บ, กบิดผดช่วยเอาสิ่งของหนืนมาเป็นของตน ในเมื่อเจ้าของเขาไม่เห็นนึกว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษก็เอามาอยู่มากินมาใช้สอยสบายออย่างนี้เอา้าบางคนก็เห็นผู้ชายไปเห็นเมียของคนอื่นเขาสวยงามก็ไ ป, ไปจีบซะแล้วไปประพฤติมิจฉาจารกรรมกับเมียเขาผู้หญิงก็เหมือนกันไม่เห็น สามีของเขาสวยงามก็เกิดรักเกิดชอบใจอา้าวแสดงมายาสาธิให้ท้ายต่อฝ่ายชายอย่างนั้นฝ่ายชายก็ไม่รู้ไม่มีศีลเหมือนกันนะมันก็เลยเป็นไปในทางไม่ดีไม่งามเรียกว่าลวงความเรียกว่าชายก็เล่นชู้จากเมียหญิงก็เล่นชู้จากขัว โดยไม่ผัวไม่รู้เรื่องเลย อ, อย่างนี้เนยมันจะไม่ให้บาปหรอนี่ติดตามยังไงเล่าเพราะว่าต่างคนต่างก็หวงเห็นซึ่งกันและกันไม่ใช่เหรือนี่ผัวก็หวงเห็นเมียเมียก็หวงเห็นผัวไม่อยากให้ใครมาแตะต้อง อ, อันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ผู้เป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่แต่วันนี้เมื่อภายได้ผ่าหนึ่งเป็นรักร่ำเมิดสินข้อนี้ไปเสียอย่างนี้นะมันจะมาให้เป็นบาปอย่างไงอ่ะพระพุทธเจ้าถ้าพระ อ, องค์เห็นว่าไม่เป็นบาปพระ อ, องค์ไม่บัญญัติท่ามเลยอ่ะขอให้เข้าใจกันดังนั้นผู้ใด อยากมีความสุขความเจริญต่อไปชาตินี้ชาติหน้าเราต้องเวน้นต้องเวน้เวนกรรมชั่วเหล่านี้ต่อไปบางคนก็ไม่สำรวมวาจา้องทนบางคนมีนิสัยพูดโกหกเป็นเป็นนิสัยติดตามมาแต่ก่อนจนถึงมาจุปัปจจุบันนี้ก็ วันหนึ่งหนึ่งไม่ได้โกหกคนเนี่ยดูมันจะไม่พอใจคนบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้ น, น, น, นผู้ใดทุกคนนะต้องพิจารณาดูนิสัยของตัวเองว่าตนมีนิสัยชอบโกหกหรือเปล่าอืมถ้าผู้ใดรู้ว่าตนมีนิสัยชอบโกหกคนอื่นอย่างนี้แล้วก็ให้รีบละอธิษฐานใจละเว้นซะ อย่าเลยเราจะพูดแต่ความจริงเราจะไม่โกหกกลอกรวงชอบโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยว่าอาจาอันไม่จริงเลยอธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้เข้าไปแล้วพยายามพูดแต่ความดีความจริงพูดแต่คำอ่อนโยนอ่อนหวานอย่าไปพูดคำหยาบคายต่อคนอื่น อย่าเป็นคนพูดมากพูดมากมันโกหกมากโดยไม่รู้ตัวพูดมากแล้วก็ผิดพลาดมากคนอื่นฟังก็เกลียดเบื่อคนพูดมากนะพูดโดยไม่มีเหตุผลคิดได้อะไรก็ว่าเรื่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลธรรมผู้มีศีลธรรม ต้องเลือกพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นแล้วก็พูดพอประมาณไม่พูดเลื่อยเปื่ยไปโดยไม่มีสถานีถ้าไม่มีเรื่องที่ควรจะพูดไม่มีเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ตนและอื่นอะไรแล้วก็นิ่งเฉยอยู่ซะสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่เสาก็สบายดีอนะ่ ดีกว่พูดมากมากปากหลายเอาแต่เรื่องผู้อื่นมาจารในบัดเรื่องของตัวเน่าเพรียู่ภายในไม่คานึงถึงอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยฉะ <c oughs> นั้นทุกคนมันต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนอื่นอย่าไปเพ่งเด้งคนอื่นเพราะต่างคนต่างก็มีกิเลสอยู่แล้วไม่ใช่ตัว รากกิเลสหมดไปแล้วหาไม่ได้ดังนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าตนยังมีกิเลสอยู่ไม่ต้องไปสนใจกับคนอื่นคนอื่นจะดีจะช่วยอย่างไรก็ขอให้เป็นเรื่องของใครของเราผู้ผู้ที่ไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์นะสั่งสอนคนน ะ, ะผู้ที่ไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนคนนะ เราต้องเพ่งเฉพาะตัวเองทำยังไงกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในหัวใจนี่จะเบาบางไปทั้งหมดไปสิ้นไปก็ต้องเพ่งดูจิตใจเห็นว่ากิเลสอะไรมีอยู่ในหัวใจก็กำหนดละมันอธิษฐานใจละมันเรื่อยๆไปอืมก็ต้องเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมนะอืม แต่บางคนจะไปสอดส่องมองดูแต่คนอื่นเห็นเขาทำอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจตัวเองบ้างไม่ดีบ้างาจับออกมาแฉกันมาพูดนินทาว่าร้ายกันอย่างนีไ้ไม่ถูกต้องนะผู้ใดมีนิสัยอย่างนี้ไอ้รีบละรีบถอนไอ้รีบปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อย อย่างนี้เมื่อตนเมื่อปรับปรุงตนเองให้ดีไปแล้วคนอื่นเห็นเขาว่า ผ, ผู้นั้นเป็นคนดีอย่างนี้เขาก็เอาอย่างไม่ต้องสอนกันยากก็ผู้นี้เขาทำดีพูดดีนะเราควรเอาเป็นตัวอย่างคนมีนิสัยดีเมื่อเห็นคนอื่นทำดีมันก็เอาอย่างเพื่อนได้ชอบใจเป็นเสียแต่คนชั่ว คนชั่วถ้าเห็นคนอื่นทำดีพูดดีไม่ชอบคนชั่วมเป็นอย่างนั้นไม่เอาตามไม่สนใจเนี่ยให้สังเกตดูว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วแบบนี้นะถ้าถ้าเราเห็นผู้อื่นทำดีพูดดีแล้วเราก็ยินดีตามแล้วก็เราก็ฝึกเอาอย่าง อย่างนี้แสดงว่าเราก็เป็นคนดีเออนั่นแหละเราก็มีนิสัยดีที่ตัวมาแต่เพื่อนพูดทำดีมาก่อนนั่นเพื่อนทำดีมาก่อนเราเรามาทีหลังเราต้องเอาอย่างเพื่อนอต้องฝึกตนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายนะ่ะอย่าไปเมาถื อ, ถอเนื้อถือตัว ไปหลงสาคัญว่าแต่ตนดีฝ่ายเดียวจะไปสําคัญว่าตนนั้นเอไม่ทําชั่วทําแต่ความดีบางคนน่ะตนทําชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวทําชั่วก็มีฮะคนเป็นอย่างนั้นเรืองมันน่ะตนทําชั่วพูดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวเช่นนั้น ดังนั้นทุกคนต้องให้มีสติสมบัตญเญนีะระลึกถึงตนเสมอเสมอระลึกเข้าไปหาหาดวงจิตเนี่ยดูจิตใจตัวเองว่ามันยังมีกิเลสอะไรแฝงอยู่ในนี้ถ้าว่าไม่สอดสองมองดูจิตใจตัวเองบ่อยๆอยอยนี่ไม่รู้เลยอะ ถ้าไม่ทำใจสงบก็ไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วเกิดขึ้นในตนของตนดังนั้นต้องทำใจสงบซะก่อนเพียงแต่ว่าเพ่งดูใจแต่ว่าใจพุ่งซ้าเลื่อนลอยอยู่นี่นะมันจะไปรู้ตัวได้ยังไงแบบนี้รู้ไม่ได้ดางนั้นเมื่อเมื่อตนได้แห่งเข้าไปถึงจิตใจ เข้าไปแล้วใจไม่สงบก็เพ่งให้ใจสงบซะก่อนมันไม่สงบเพราะเรื่องอะไรเกําหนดดูอ๋อเพราะว่าจิตมันยึดเอาเรื่องนั้นมาวิตกวิจารมันจึงไม่สงบอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กําหนดละมันไม่คิดเมื่อวิตกวิจารณ์ไปในเรื่องนั้นๆเลยกําหนดละปล่อยวางเรื่อยไปจนกลัวมันจะระงับไป เมื่อกวลังงับไปแล้วมันก็หยุดคิดหยุดวิจารณ์ก็ยังเหลือแต่ความรู้กับสติเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้พากันเข้าใจการปฏิบัติถ้าจิตยังไม่สงบจะพึ่งวิน่าณอะไรีินญาณก็ไม่ได้ความหรอกแต่ว่าการนำจิตให้สงบนี่มันลำบากหน่อย คนส่วนมากก็มันท้อถอยอันนี้แหละอันนี้เรานั้นเป็นนักบวชไม่ได้ขนไถในหน้าที่การ ง, งานอะไรต่ออะไรเลยอย่างที่ชาวบ้านเขาอย่างนี้เรายิ่งมีโอกาสมากนะนั่นนี่ยิ่งมีโอกาสได้ฝึกจิตใจตัวเองเพราะว่าอารมณ์มันน้อยลงอันชาวบ้านอารมณ์มันมาก เดี๋ยวก็อยากได้อันนั้นเดี๋ยวก็อยากได้อันนี้อยู่อย่างนั้นจิตใจนะ่ะเห็นคนอื่นเขาร่ํารวยกับตนก็อยากรวยกับเขาเราวิตกวิจารณทํายังไงโน้เราจึงจะรวยพอนี่ชาวบนะ้านอะอารมณ์มากมายใจจึงสงบไม่ได้จึงภาวนาไม่ได้แม้ฟังธรรมก็ฟังไม่ได้จิตไม่อยู่ เคยสังเกตคนมาแล้วบางคนนั่งฟังอยู่ดีๆ น, นอยหนึ่งลุกพวดพลาดไปแล้วนั่นแสดงว่าจิตมันไม่สงบเลยจิตมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยเหตุ น, นั้นจึงนั่งอยู่ไม่ติดขันลุกพวดพลาดไปแล้วไปคุยขโมงคงสงเสงกับเพื่อนกบพุ่งไปแล้วก็แล้ไปเลยมันสบายใจไปท่านจะมานั่งสะกดจิตให้นิ่งอยู่ในโทม ไม่ได้เลยอืมกีเรศไม่ยอมอมันเป็นงั้นดังนั้นเรืองสมาธิเนี่ยสำคัญมากกว่าเดียวผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปเสยเมยอย่าไปนั่งสมาธิเพียงนิดๆนนเอ่นหน่อยแล้วงดเสียพอได้จิตสงบลงไปนิดหน่อยเท่านั้นแล้ว หยุดเสียอย่างงี้นะมันไม่ได้อ น, นั้นนะเมื่อสงบนิดหน่อยหนึ่งเท่านี้มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้พอหยุดสมาธิกิเลสมันก็ครอบงามจิตของเขาจิตก็กพุ่งซ่านไปเหมือนเดิมอัอาเป็น่งนั้นนั้นเราต้องทำจิตลงไป เมื่อจิตสงบแล้วก็เพ่งอยู่ที่ความรู้ น, นั้นความรู้ที่ไม่มีอารมณ์อารมณ์ทางหลายมันดับไปแล้วก็เพ่งดนความรู้อันเดียวอยู่ปัจจุบันอย่างนั้นให้จิตท่านมันสงบลงไปอย่างแนบแน่นต้องปฏิบัติอย่างนี้ จึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่่าคเพียรนำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ได้นานพอสมควรแล้วไม่ได้หรอกเจริญปัญญาไม่ได้ดังนั้นขอให้รู้จักข้อปฏิบัติอันสำคัญสำคัญเนะี่ยเอายังศีลอย่างนี้ก็ทุกคนก็เข้าใจว่าประสมรวมมา เออสำรวมในสินสำรวมกายสำรวมวาจามาโดยลำดับก็ไม่ระวิสัยไม่ได้ไม่ได้ออกแรงมากมายการรักษาสินเมื่อมีศรัทธาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรก็พอรักษาได้แต่การที่จะมาทำจิตให้เข้าถึงความสงบนี่ล่ะ มันแสนยากแสนลำบากเพราะกิเลสมันมักดองอยู่ในจิตใจนั่นพอที่จะทำใจสงบลงไปกิเลสมันก็ผลักดันเอามันไม่ยอมให้ใจสงบลงอืมเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ภาวนาเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปกรวดดูสิน ตรวจ ด, ดสูสินว่าบริสุทธ์ดีและไม่ด่างไม่พ้อยแล้วเ น, นี่กนีเริ่มแล้วเริ่มน้อมจิตลงสู่ความสงบเอาสติแล้วเป็นกำลังนะสติระลึอกอย่างเข้าไปถึงความรู้นอสติย่างเข้าไปถึงความรู้ เมื่อสติเข้าไปถึงความรู้แล้วจิตนั้นย่อมสงบทันทีเลยรู้ได้ต้องรู้ด้วยตนเองโอ้ตอนนี้ขณะ น, นี้สติอย่างเข้าถึงจิตแล้วจิตจึงนิ่งแล้วก็พยายามรักษาสตินั้นให้มันแนบแน่นอยู่กับจิตอย่างนั้นเรื่องมันนะ เมื่อเรารักษาสติควบคุมจิตให้แนบแน่นอยู่แล้วเช่นนี้มันก็ได้รับความสบายเลย ว, วันนี้นะพอเมื่อจิตมันสงบลงไปอารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่ในจิตใจแต่มันก็ดับไปดับไปอย่างนี้นะใจก็สบายสบายขึ้นมากายก็เบาจิตก็เบา ไปอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนคอยพากันเข้าใจก็เทศให้ฟังมามากมายพอแรงแล้วที่ร่วงแล้วมาก็ดีบันนี้ก็มาย้ำอีกก็รู้สึกว่ามันจะเป็นความรู้พิเศษขึ้นมาอีกอก็พากันจำเอาไว้อุบายเหล่านี้เนะี่ย จำเอาไว้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็จะได้รับผลของการปฏิบัติธรรมที่เราอุตส่าห์เสียสละบัณเรือนมาอยู่ในวัดไดวาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้แล้วก็ก็จะได้ผลคุ้มค่า จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยสนับสนุนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้